สกิเลสโคชกะหนึ่งกิเลสทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นชนกิเลสะวัตถุสิบคือหนึ่งโลภะสองโทสะสามโมหะสี่มานะห้าทิฐิหวิจิกิจฉาเจดถีนะ 8. อุทจัาเก้าอหิริกะสิบอนโนตปะ โลภะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะแปโทสะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมานะสองโมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดมานะเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏีสิทฐิเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏีสิทวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สห์รคตด้วยวิจิกิจฉาทีนะ เกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสสังขาริฆ่าอุทัจจะอหิริกระและอะโนตปะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นฉนัยอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส สองสงกิเลสุกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนกุศลในภูมิสามอากุสลวิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในวัตทุสามัญญผลสี่และนิพพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 3. สางกิริธาทุกกะสภาวะธรรมที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองเป็นไนจิตตุบาที่เป็นอกุศลสิบสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นไงกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองสกิเลสสัมปยุตตะทุกระสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไนจิตุบาที่เป็นอกุศลสิบสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเป็นไนกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสหกิเลสะสังกิเลสิกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนะกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนะอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิสามวิปากในภูมิสาม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 กิเลสเหล่านั üz? ้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส เกิเลสะกิเลสสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไนกิเลสสองกิเลสสาเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมเหล่าใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไงอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสะวิปยุทธะสังกิเลสิกะทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไงปุสสนในภูมิสามวิบากในภูมิสามอภยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมด สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสจาโคจกะจบสิบสามปิฐิทุกะหนึ่งทัศเนนะปะหาตับพธทุกกะ สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไงจิตตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐีจิตตุบาทที่สหรตด้วยวิจิกิจชาสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุทธ์จากทิฏฐีจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมณัสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคก็มี ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักรก็มีสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักรเป็นไนจิตุบาที่สหรตด้วยอุทจักปุสลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรสองภาวนายะปะหาตับพทุกกะ สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไงนะจิตตุบาที่สหรโคตด้วยอุทจจะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจิตตุบาที่สหอรโคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฏฐี 4, จิตตุบาทที่สหอรโคตด้วยโทมนะสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไงจิตุบาที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสจิตุบาที่สหรคตรด้วยวิจิกิจชาปุสลในภูมิสวิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสารูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสามทัศเนนะปะหาตัปพระเฮตุ ก, กะทุ ก, กะ สภาวะธรรมที Son ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นเไหนจิตตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐีจิตตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิประยุทธจากทิฏฐีจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมานะสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า มีเหตุต้อ응งประหารด้วยสโสดาปติมักก็มีไม่มีเหตุต้อ응งประหารด้วยสโสดาปติมัคก็มีสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยสโสดาปติมักเป็นไงโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิชาจิตุบาทที่สหรคตด้วยอุทัจจะปุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอภิยากตะปริยาในภูมิสารูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยสโสดาปติมกัก สภาวนายาปะปหาตัพะเหตุกระทุกระสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นเไหนจิตตุบาทที่สหอระคตด้วยอุทจจะเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจิตตุบาทที่สหอระคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฐิสี่จิตุบาทที่สหอ ร, ร, ระคตด้วยโทมนะสอง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นไ น, นจิตตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฐิสจิตตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาโมหะที่สหรคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่ 4, อภยากตะกริยาในภูมิสาม รูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสามหสวิตตะ ก, กะทุ ก, กะสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นฉไหนกรรมาวจรกุศลอกุศลจิตุบาทฝ่ายวิบากแห่งกรารมาวจรกุศลสิบเอ็ดฝ่ายวิบากแห่งอกุศลสองฝ่ายกิริยาสิบเอ็ดรูปราวจรปถมฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยา โลกุต ร, ประปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตกสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นไนทวิปัญจวิญญาณฌานสามและฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและคิริยาฌานสามและฌานสี่ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบาก วิตกรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตก 6. สวิจาระทุกกะสภาวะธรรมที่มีวิจารเป็นฉนัยกรรมาวจรกุศลอกุศลจิตุบาฝ่ายวิบากแห่งกรรมาวจรกุศลสิบอ็ดฝ่ายวิบากแห่งอกุศลสองฝ่ายกริยาสิบเอ็ดฌานหนึ่งและฌานสองที่เป็นรูปราวจรฝ่ายกุศลวิบากและพริยาฌานหนึ่งและฌานสอง ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิจารที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจาร์สภาวธรรมที่ไม่มีวิจาร์เป็นไนทวิปัญจวิญญาณฌานสามและฌานสามที่เป็นรูปราวจรฝ่ายกุศลวิบากและกริยารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกริยาฌานสามและฌานสามที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบาก วิจารรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจารเจ็ดสัปปีติกะทุกะสภาวะธรรมที่มีปิติเป็นไนจิตุบา ท, ที่สหรโคตด้วยสมนัสฝ่ายกามมวจรกุศลสฝ่ายอากุศลสฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจรกุศลหฝ่ายกิริยาหชาฌานสองและฌานสที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกริยา ชานสองและชานสาที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปิติที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปิติสภาวะธรรมที่ไม่มีปีติเป็นไนจิตุบาทที่จะหอระโคด้วยอุเบกขาฝ่ายกลามวจรกุศลสี่ฝ่ายอกุศลแปฝ่ายวิบากแห่งกลางมวจรกุศลสิบอ็ดฝ่ายวิบากแห่งอกุศลเจ็ดฝ่ายกริยาหกชาญสองและชาญสอง ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิปากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิปากและกิริยาฌานสองและฌานสองที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิปากปีติรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ 8. ปดีติสหคตะทุกกะสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นไน จิตุบาทที่สหรคตรด้วยสมนัติฝ่รรายกลางมวจรกุศลสีฝ่ายอกุศลสฝ่ายวิปากแห่งกลางมวจรกุศลหฝ่ายกริยาห้าฌานสองและฌานสที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิปากและกริยาฌานสองและฌานสที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิปากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตรด้วยปีติ สภาวะธรรมที่มีสหรคตรด้วยปีติเป็นชนไหนจิตุบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายการรมวจรูปสนสี่ฝ่ายอกุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจรูุสนสิบเอ็ดฝ่ายวิบากแห่งอกุศล7ฝ่ายคุริยา6กฌานสองและฌานสองที่เป็นรูปกาวจรฝ่ายกุศลวิบากและคุริยาอารูป 4. ฝ่ายกุศลวิบากและกุริยาฌานสองและฌานสอง ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากปีติรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตรด้วยปีติ 9. สุขะสหคตะทุกะสภาวธรรมที่สหรคตรด้วยสุขเป็นฉนัยจิตุบาที่สหรคตรด้วยสมนานัตฝ่ายกา ร, รมวจรกุศลสี่ฝ่ายอากุศลสี่ฝ่ายวิบากแห่งกา ร, รมวจรกุศลหฝ่ายกริยาห้าฌานสามและฌานสี่ ที่เป็นรูปราวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสและฌานสี่ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรครตด้วยสุขสภาวธรรมที่มีสหรครตด้วยสุขเป็นไนจิตุบาทที่สหรครตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศลสี่ฝ่ายอกุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิบ ฝ่ายวิบากแห่งอกุศลเจ็ฝ่ายกริยาหกรูปราวจรจตุตฌานฝ่ายกุศลวิบากและกริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกริยาโลกุตระจตุตฌานฝ่ายกุศลและวิบากสุขรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตรด้วยสุขสิ 10. อุเปคาสหคตตทุกกะสภาวะธรรมที่สหรูปด้วยอุเบกขาเป็นไน จิตุบาทที่สหอรโคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกลางมวจรกุศลสฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิปากแห่งกลามวจรกุศลสิฝ่ายวิปากแห่งอกุศลหกฝ่ายกุริยาหรูปาวจรจตุทชานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกุริยาโลกุตระจตุทชานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้ สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยอุเบกขาสภาวะธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นไนจิตุบาทที่สหรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกรรมวจรกุศลสฝ่ายอกุศลหฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจรกุศลหฝ่ายวิบากแห่งอกุศลหนึ่งฝ่ายกริยาห้าฌานสาและฌานสที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกริยา ฌานสามและฌานสี่ที่เป็นโล ก, กุตระฝ่ายกุศลและวิบากอุเบขารูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตรด้วยอุเบขาสิบเอกรรมวจระทุกกะสภาวธรรมที่เป็นกามรมวจรเป็นไนะกามรมวจรกุศลอกุศลวิบากแห่งกรรมวจรทั้งหมดอพยากตะกริยาที่เป็นกามรมวจรและรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกลามาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นคามาวจรเป็นฉนัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและที่มีนับหนึ่งในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกลามาวจรสิองรูปาวจระทุกกะสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นฉนัยฌานสี่และฌานห้าที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศล วิปากและคิริยาสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุขสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจรสิบสมอรูปาวจระทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นไน อรูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นฉไนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตะทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจรสิบสี่ปริยาปันนตทุกะสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตตทุกเป็นฉน กุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับนึ่องในวัตตทุกสภาวะธรรมที่ไม่นับนึ่งในวัตตทุกเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกสามัญญผลสี่และนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับนื่งในวัตตทุกสิบห้านิยานิกทุกกะ สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์เป็นไงกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ สินิยตตทุกกะสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นไนจิตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฐิสี่จิตุบาที่สหรคตรด้วยโทมานะสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีมัคสีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นไ น, น จิตุบาทที่สหรโคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฏฐีจิตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาจิตุบาทที่สหรโคตด้วยอุทจจะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสี่อภิยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลไม่แน่นอน 17. สิบเจ็ดสัอุตระทุกะสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไน กุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอภยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวะธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นไงมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์สามัญผลสี่และนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 18. สาระทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไนะจิตุบาทที่เป็นอกุศลสิบสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์วร้องไห้สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นไนอกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปิติทุกกะ จทุกขะอทุทาระจบอัธถกถากันจบธัมมสังคณีปรกรณ์จบ